พอกระนี่นะแช่อยากให้ว่าวว่ะนะ แก่ว่าอยู่่นี่ยทางจะแสดงว่าได้เปลี่ยนฐานใช้มาแล้วนะก็ทำให้กานหมดได้ง่ายกังรวนเปลี่ยนฐาน ขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หา่างไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมส ก, การหลวงพ่อและพระคุณเจ้าพระสงฆ์ที่เคารพด้วยเสียงด้วยกล้าวสวัสดี <c oughs> เพื่อนนักปฏิบัติธรรมที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกท่าน ทุกคนบางคนก็คงจะพอรู้จักดิชั่นบ้างแต่บางคนก็คงใหม่อยู่ยังไม่เคยรู้จักว่าเป็นใครเป็นมาอย่างไรดิฉันจะขอพูดคร่าวๆเรื่องความเป็นมาของดิชั่นให้ฟังดิชันชื่อมาริสานะคะอยู่ที่รัฐเทนเนสซีได้ปฏิบัติธรรมสายเคลื่อนไหวกับท่านหลวงพ่อ มาปมาณปีนี้เปลี่ยนปีที่แดแล้วนะก็ก็คงไม่แตกต่างอะไรกับพวกท่านมากเท่าไหร่หรอกก็ที่มาปฏิบัติก็มันมีความทุกทุกนี้ไม่ใช่ว่าทุกเพราะเราไม่มีอยู่ไม่มีกินแต่ทุกนี้มันทุกอยู่ในใจทุกลึกๆอยู่ข้างใน ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจเราได้และไปปรึกษาใครได้แต่ก็ทนหาทางออกก็มีบางครั้งก็ไปปฏิบัติธรรมถ้าเคยปฏิบัติธรรมหลายสายมามีครูบาอาจารย์หลายองค์ว่างั้นเถอะนะวิ่งพอครูบาอาจารย์ที่ไหนดีก็วิ่งตามกระแสไปที่ไหนดีก็ไปเพราะว่าเราไม่รู้ เราว่าเออไปหาเขาบอกว่าอาจารย์นี่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าดียังไงแต่ก็ไปพอไปมันก็มันก็ดีแล้วหลับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่ดีพอไปเห็นคนปฏิบัติเออจิตใจแล้วก็อ่อนโยนโน้มน้าวเนี่ยครูบาอาจารย์พูดเทศให้ฟังยิ่งพูดเทศอะไรเราก็ไม่เราก็เออท่านพูดดีนะพูดเพราะเราก็เชื่อที่ท่านพูดแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านพูดดีแต่ไม่รู้ดียังไงเขาถามว่าเออไปวัดเนี่ย ไปฟังเข้าเทศมานี่นะพระเทศเนี่ยท่านเทศเรื่องอะไรเหรอโอ้ท่านพูดดีท่านพูดท่านพูดเรื่องอะไรท่านเทศดีอะไรไม่รู้จําไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะอแต่ทีนี้จิตใจที่แบบว่าเรามีทุกคนเนี่ยคนบ้านเราเนาะอย่างคนไทยคนลาวเราเนี่ยมีมีจิตใจที่ฝกักใยอยู่ในพระศาสนาเป็นต้นทุนเดิมอ่เงี้ยชอบเข้าวัดเข้าวา่า พอเราแบบว่าเรามีทุกเราไม่มีที่ไปเราก็วิ่งเข้าหาวัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตอะ่ะกี่ปีมายี่สิบปีสามสิบปีมาพอมาเจอหลวงพ่อนี่นะแบบว่าตอนนั้นมันกิฟอัพแล้วมันไม่อยากไปปฏิบัติแล้วเพราะว่าไปแล้วมันไม่เห็นผลมันไม่ได้อะไรมันเบื่อละในใจบอกว่าไม่ไม่วิ่งละเหนื่อยเพื่อนก็มาชวนมาชวนให้ไปปฏิบัติ ตอนที่หลวงพ่อมาแต่ว่าไม่เพื่อนเขานิมนต์หลวงพ่อมาที่เทนเนซี่ก็ไปปฏิบัติบอกว่าถ้าหลวงพ่อพาให้หลับตาอีกนะจะไม่หลับล้จะกลับบ้านจะไม่ปฏิบัติละก็พอดีท่านไม่ได้พาหลับตาหรอกวันนั้นนะก็ได้ดั่งคุยได้สนทนากับท่านท่านก็ซักักักถามไล่เลียงสนทนาเราก็บอกว่า แต่ทีนี้ความที่เราแบบว่ามีครูบาอาจารย์มาเยอะความทิฐิมาณะในตัวเรามันเยอะเราไม่รู้หรอกแต่ทีนี้นะ่ยพอเรามาปฏิบัติทุกวันเนี้ถึงได้รู้แต่เมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่าโอ้ตัวเรานี่นะับมีครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเรารู้ดีผ้าองค์นี้จะรู้ดีได้ยังไงครูคบาอาจารย์พูดให้เราฟังหมดแล้วเรารู้หมดแล้วกิ <S <S เลสในใจในตัวเราเนี่ยเต็มไปหมดแต่เราไม่รู้หรอกนะคะแต่ทีนี้พอพอ ความที่เราจิตเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแล้วก็เลยบอกเออลองดูอีกครั้งหนึ่งสิว่าจะเป็นยังไงก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านพอนิมนต์ท่านมาที่บ้านนะคะก็เรียกเพื่อนมาเพราะเพื่อนเนี่ยเขามีเวลาเข้ามาสนทนาธรรมเราก็ตอบให้เขาไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าเราไปปฏนบัติธรรมแต่เราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เขามาถามว่าจิตคืออะไรเรายังตอบเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วจะคิดว่าเราไปปฏิธรรมได้อะไร เนี่ยข้อนี้มันมันทำให้เราอึดอัดขัดเคืองในใจหาทางออกไม่ได้พอหลวงพ่อมาเพื่อนมาท่านก็สนทนาธรรมพอเป็นแบบว่าถามทุกสุขดิบเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็พาปฏิบัติเลยข้อนี้ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดเลยในสายหลวงพ่อเทียนเพราะส่วนมากพระนี่ไปที่ไหนนี่ท่านจะถามแต่เรื่องส่วนตัวเราใช่ไหมถามว่าเป็นใครทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ สามีทาอะไรแี่เกียด จ, จะตอบมันเบื่อแล้วอะทําไมไม่ถามเพราะเราทุกข์อะไรบ้างจะใช่ช่วยแก้ทุกข์ไหมอย่างนี้นะเพราะว่าโยมนี่มันแบบเห็นพระแล้วเราก็เกรงใจพระใช่ไหมไม่กล้าถามเดี๋ยวนี้นะดิฉันบอกว่าพอทุกข์ามากๆแล้วไม่เกรงใจแล้ว ม, มันต้องถามอะมันไม่มีที่ออกแล้วอะนะถามเลยทีนี้ก็ถามท่านนะท่านก็ตอบให้เราให้เราเข้าใจ ท่านสามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างเงี้ยว่าเออที่เราทํานี่นะมันไม่ถูกต้องนะมันมันมันทำให้เสียเวลาอย่างเงี้ยที่จะไปปฏิไปทำแบบไม่มีที่ไปที่มาไม่รู้ทางเดินของจิตเนะี่ยเพราะจิตนี่มันต้องมีทางไปไม่ใช่จับนู่นใส่นี่ใสน่นี่เอานี่ไปใส่นั่นมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็บอกงี้ ดิฉันก็ปฏิบัติกับท่านอาพอท่านมาท่านก็มามาม า, มาที่บ้านมาเพียงแต่ชั่วคราวนะมานิมนต์ท่านมาแล้วท่านก็กลับไปดิฉันก็ได้มีโอกาสนิมนต์ท่านมาอีกครั้งหนึ่งมาปฏิบัติทีนี้เราจัดคอร์สแบบที่เราจัดนี่ค่ะกลับมาครั้งนี้ดิฉันเตรียมตัวเต็มที่เลยเพราะว่าดิฉันบอกว่าเออเราเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านเลย จ, เจัดที่บ้านเพื่อนค่ะครั้งแรกจัดที่บ้านเพื่อน แค่สองวันเนี่ยดิฉันเริ่มเข้าใจอารมณ์รูปนามสัมผัสอารมณ์รูปนามเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเออเคยได้ยินได้ฟังเมื่อก่อนนี่พูดนะก็จําหนังสือจําตํารามาพูดนะแต่พอเจอของจริงเห้าเวลาเจอกระทบอะไรนี่จิตใจยังหวั่นไหวพอพอเข้าชมนี่เป็นไงฮะจิตใจเราก็โอ้ฟูขึ้นพอเข้าตําหนิหน่อยโอ้ยไม่พอใจอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเลย พอมาปฏิบัติสายนี้เข้านะะตัวนี้ละ่ะเนี่ยตัวอารมณ์รูปนามมันจะเริ่มต้นก่อจากตัวนี้เลยถ้าเราไม่เจอไม่เข้าถึงอารมณ์รูปนามก่อนนะมันไม่มีทางไปหรอกไม่งั้นละ่ะเราจะอยู่ในความคิดตลอดเลยคิดว่าโอ้เรารู้แล้วโอ้คิดว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้นะก็เราคิดว่านะเราเป็นนะมันยังอยู่ในความคิดอยู่มันยังไม่ออกมาเป็นอิสระจิตมันยังไม่อิสระ มันยังไม่เข้าถึงสภาวะมันยังไม่เป็นปรมัติตมันก็ยังอยู่ในความคิดอยู่ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วนะฉันทําได้แล้วนะมันยังคิดอยู่แต่ตอนนี้พอดิฉันมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจอารมณ์รูปนามนี่นะเราก็เราก็ยังไม่รู้นะคนที่เข้ารู้นี่นะเขาจะไม่รู้หรอกว่าเขารู้อะไรจนว่าเราไปรายงานให้หลวงพ่อท่านถึงรู้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาเหมือนคนที่รู้แล้วเนี่ย พอเราไปคุยเขาเนี่ยเราก็รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้เพราะเราเคยผ่านมานะแต่ความคิดนี่นะมันอยู่กับเรามานานมันจะบทบางตัวนี้มากมันจะอยู่ในความคิดตลอดดิฉันพอคอสนี่นะเริ่มต้นกันเนี่ยสิบสี่สิบห้าคนพอวันที่สามที่สี่เหลือเหลือสะเหลือสี่คนพอวันสุดท้ายเจ็ดวันครบกําหนดคอสหนึ่งเจ็ดวันเหลืออยู่สี่คน สี่คนตอนนี้นะสี่คนนี่ปฏิบัติเนะี่ยเหลือคนเดียวคือดิชันสามคนก็หลุดไปละวชวนมาปฏิบัติหนีตลอดเลยเมื่อก่อนนี้มาชวนเรานะพอเรามาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เขาหนีไปละเขาไม่เอาละแต่ไม่เป็นไรนะดีที่ดิชันเอาได้แต่แต่เขาก็นั่นนะมันยังไม่ถึงเวลาเขาเราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเราไม่ว่ากันอันนี้เสร็จแล้วก็พอเข้าใจอารมณ์รูปนามแล้วนะ อย่าทิ้งนะพอเราเข้าใจได้สภาวะธรรมแล้วอย่าทิ้งดิฉันนะพอคอร์สนั้นจบนะหลวงพ่อท่านกลับเมืองไทยเลยนะดิฉันโทรไปที่拉สเวกัสเลยบอกว่ า, าท่านอาจารย์ที่เวกัสสอนดิฉันได้ไหมหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยท่านบอกมาสิมาเกะมามาปฏิบัติดิฉันนี่นะบอกว่าไปเลยยังไม่ถึงเดือนเลยตามไปอีกไปปฏิบัติ คิดว่าจะจัดคอร์สแบบนี้อีกนะให้เราปฏิบัติอย่างนี้อีกใช่ไหมคะพราะคราวที่แล้วคุณมาคุณก็ปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมพอมาคราวนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านไม่ได้ทําอย่างนั้นกับดิฉันนะไปถึงที่เวกัสนะ่ะท่านทําห้องเล็กๆ เ, กเกท่าห้องนอนเท่าห้องน้ําเราให้ฉันอยู่คนเดียวโอ้ดิฉันทุกข์มากเลยเห็นความทุกข์มากที่สุดเห็นความคิดตัวเองเห็นสรารพัดจนจะบ้าตายแบบว่าถ้าถ้าดิฉัน ความคิดนั้นไม่หลุดจากดิฉันก็คงบ้าตายแน่แต่ดิฉันไม่ทิ้งนะสร้างจังหวะตลอดเลยถึงความคิดจะมาทุกแสนสาหัสยังไงนะนอนนอนข้างเดียวก็สร้างจังหวะนะนอนหงายก็สร้างจังหวะนอนได้คาตะแคงข้างหนึ่งก็สร้างจังหวะเจ็ดครั้งพิกซ้ายก็เจ็ดพิกขวาก็เจ็ดเพราะว่ามันนอนข้ามมันสร้างได้เจ็ดจังหวะทําถึงขนาดนั้นเลยฮะแบบไม่กําหนดไม่หยุดเลยสู้กับมันอารมณ์นี้นะสู้กับความคิดนี้นะจนแบบว่า มันทนกับอารมณ์ที่เรากําหนดที่เราสู้กับมันนี่ไม่ไหวเนี่ยถ้าเราทนต่ออารมณ์นี้ได้นะเราจะผ่านไปได้แต่ใครล่ะจะสามารถทนได้นะผู้ที่ตั้งใจจริงๆนั่นแหละที่จะทําได้ที่แบบว่าอยากพิสูจน์อยากลองพอเราผ่านอารมณ์นี้ไปได้นะนี่สมาธิเกิดสมาธิในนี้นะไม่ใช่เหมือนสมาธิที่พวกดิฉันที่ดิฉันเนี่ยเคยไปทํามาก่อนเมื่อก่อนนี้ ตอนไปฝึกกับครูบาอาจารย์อื่นนี่ท่านจะเน้นเรื่องสมาธิให้นั่งคัตมาต์เนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมง3ชั่วโมงใครเก่งนี่โอ้โหสามชั่วโมงทนได้นี่เก่งมากแต่โอ้โหขาชาไม่รู้ลุกไม่ขึ้นเลยบางทีใช่ไหมคะเนี่ยดิฉันเคยฝึกมาอย่างนั้นแต่สมาธิที่ได้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะต่างกันยังฟ้ากับดินเลยนั่นนะสมาธิที่เป็นนี่มันเป็นสมาธิในในองค์มรต์เขาเรียกสัมมาสมาธิ สมาธินี่มันไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปโอ้โหไปเพ่งไปจ้องไปอะไรแล้วก็นั่งสองสามชั่วโมงสมาธิอันนั้นมันไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ทางพุทธสมาธินี่ที่เป็นนี่นะจิตเราจะตั้งมั่นสดใสบริสุทธิ์แล้วแบบว่า <c oughs> พร้อมที่จะทำอะไรได้แบบจิตเรานี่นะคล้ายๆแบบว่าดิฉันนี่นึกว่าดิฉันนี่บรรลุทำเป็นพออระอรหันต์ด้วยซ้า พอได้อารมณ์สมาธิตัวนี้บอกว่าโอ้ชาตินี้เราไม่ทุกข์แล้วแบบไม่มีอะไรจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะมันเข้าถึงความเป็นกลางว่างอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอารมณ์อย่างนี้นะอยู่ประมาณสักสองสอาทิตย์อารมณ์ในองค์ฌานเนี่ยในองค์อับปมาดนะเนี่ยนะในในในฌานแต่บางคนที่เขาปฏิบัติสายนี้นะหลวงพอ่อสายเคลื่อนไหวเนี่ยยกมือเนี่ย เขาก็ได้สมาธิอย่างพวกคุณก็ได้สมาธินะแต่สมาธินี่มันจะมีต่างระดับกันบางคนก็ได้คณิกะได้อุปจาระนะไม่ต้องทอ้อบางคนบอกโอ้โหเขาได้ฌานเขาพูดถึงฌานใหญ่โตฌานเชิญนี้ไม่สำคัญเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปบอกอูโหฉันอยากได้ฌานอย่างเขาอยากได้ยานอยากได้ฌานอย่างนั้นนะไม่ใช่เลยอย่างฌานนี่นะแบบว่าพวกคุณทาเนี่ยคุณก็มีคณิกะอุปจาระมี แต่ทีนี้มันอาจจะไม่ถึงอั ป, ปนานะแต่ไม่ต้องหรอกนี่แหละเป็นบาทฐานให้เราเจริญปัญญาต่อไปเราจะไม่ได้ติดอยู่ในสมาธิพอเราถึงจุดนี้แล้วนะจุดสมาธิตัวนี้แล้วนะทีนี้หละมันก็มีปัญหานะนี่นี่จะพูดแบบย่อๆนะแปบลบว่ารายละเอียดมันจะมีมากกว่านี้แต่นี่นี่พูดย่อๆเพราะว่าต้องใช้เวลาหลวงพ่อให้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกสิบนาทีแหละโอเคเสร็จแล้วก็ ตรงนี้นะพอสมาธิเราได้เนี่ยเราก็จะมีอุปสรรคบ้างนะคือวิปัสสนาจะเข้าตอนนี้แหละคือเคลื่อนวิปัสสนานี่นะมันความรู้มันโอ้โหมันมันชัดแจ้งมากมันมันเข้มข้นแล้วแบบว่ามันท้าแบบว่าไม่กลัวเลยนะมันมันมีพลังมากเนี่ยมันทําให้แบบว่าตัววิปัสสนาเข้าตอนนี้พอวิปัสสนาเข้าเราต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยการได้แบบว่า คบกัลยาณิมิตรมีครูบาอาจารย์สอบถามครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมมีข้อสงสัยอะไรนะถามผู้ที่ปฏิบัติมาก่อนมีอะไรที่ผู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนแล้วเราจะไม่หลงทางเราจะไม่ ป, ปฏิบัติของเราเองแล้วเราก็ขี่อยู่ในความคิดเราคิดว่าเอออันนี้ใช่นะอันนี้ถูกนั่นมันเป็นความคิดของเราเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ให้ดีแล้วมันมันจะไม่หลงแล้วหลงแล้วมันจะไปเสียเวลาพอถึงจุดสมาธินี้แล้วนะคะ ทีนี้หละถ้าเรานะแบบว่าทำความเพียรต่อไปอีกนี่แหละพอถึงจุดสมาธิน่ะนี่จุดนี้แหละสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่ปัญญาจะมาตรงนี้นี่ใครถามถึงปัญญาทำให้ได้นี่ปัญญาจะเกิดตรงนี้ปัญญาจะไปเห็นอะไรปัญญาจะไปเห็นทุกไปเห็นทุกในอริยสัจสี่นี่ครั้งแรกเลยในอริยสัจสนี่ที่เราที่เราเนี่ยส ว, สวดกันมาเนี่ย สวดสมาเราทําได้เรารู้ตรงไหนในหนังสือบอกเลยเราทําไม่ได้เราก็รู้นี่เข้าถึงอรยสัจ ส, สีเข้าถึงตรงนี้นี่ปัญญามันจะตรวจสอบจิตใจเราตลอดเลยนี่นี่ต่ตรวจสอบว่าเอออะไรนะถูกอะไรผิดนี่นะจิตใจตอนนี้เราเป็นอะไรยังไงแล้วปัญญาตัวนี้นะปัญญาตัวนี้มันจะไปาตามจะตามดูจิตใจเราเนี่ยเมื่อมีอะไรอะไรเข้ามากระทบใจเราเนี่ย สติสัมปชัญญะที่พวกเราฝึกนี่แหละเนี่ยมันจะไปทันต่อการกระทบตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยที่เราฝึกเราจะเอามาตรงนี้พออะไรอะไรที่เข้ามาในใจเราแล้วสติสัมปชัญญะที่เราฝึกดีแล้วนี่แหละมันจะมาสลายตัวนี้ตัดไปไม่เข้ามาถึงจิตใจไม่ทำทุกข์ให้เราไม่นำความทุกข์มาให้เราใครจะว่ายังไงใครจะดา่าใครจะนินทาใครจะสรรเสริญยินยอ เราไม่อยากได้แล้วหน้าตาชื่อเสียงไม่อยากได้แล้วมันปล่อยมันวางมันจะย้ำซักฟอกอยู่ในจิตในใจเรานี่นี่นะแล้วช่วงนี้นะมันจะไม่มีอะไรละมันจะมีแต่สติขาดสติมีสติขาดสติมีเผลอมีไม่เผล อ, อยู่อย่างนี้นะส่วนด้านจิตส่วนด้านอารมณ์เหรอ ก็มีพอใจไม่พอใจเดี๋ยวก็ยังไม่แน่ใจว่ากูจะพอใจหรือกูจะไม่พอใจดีจะไม่อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดนี้เนี่ยทีนี้นก็ตรวจสอบเข้าไปแล้วช่วงนี้นะจิตมันก็มันจะพัฒนาของมันมันจะตรวจสอบว่าเอออันนี้นะทําถูกบอแม่นบออันนี้บอแมนทิมไปอันนี้แมนเออโอเคเนี่ยมันจะเป็นอย่างสี่ได้ถ้าเขล็ดจิตมันเอาพัฒนาถึงสติสัมปชัญญะ จนถึงสติศินสินสมาธิปัญญานี่ยมันเดินทางมาทางนี้นี่แหละองค์มรรคเราเข้าถึงองค์มรรคอริยมรรคนะเนะนี่ยทางนี้แหละเป็นหนทางที่เราจะดับทุกข์นะหนทางนี้แต่ที่พระพุทธเจ้านะ่ยท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ภาษาวกของท่านพระอรหรันต์ครูบาอาจารย์จนมาถึงพวกเราก็ให้เราเข้าถึงจุดนี้ละ่ะนะเนี่ยดิฉันมั่นใจตรงนี้ละ่ะ จะผิดถูกยังไงดิฉันรู้อย่างนี้ดิฉันเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เราก็แก้ทุกได้แก้ปัญหาได้แก้ทุกตัวเองได้บางทีก็ทุกบ้างแต่ไม่นานทุกแ ป, ป๊บแล้วกแก้ได้นะแล้วเวลาคนมีทุก์เราก็แนะนําเข้าอย่างที่ดิฉันเป็นนะเข้าไปแก้ก็โอเคเข้าไม่แก้ก็ไม่เป็นไรไม่ทุกแต่เมื่อก่อนไม่มาปฏิบัตินะโอ้โอยากจะให้เข้าดีพอเข้าไม่ทําอย่างเรานะใจนี้ตึ๊บๆึๆใช่ไหม นะพอเขาทําอะไรขัดใจหน่อยนิดทับๆึบ เ, เ, เราอยากทำอย่างนี้เราจัดอย่างนี้คนมาจัดอย่างนี้เราเอาเป็นไงทึ๊บๆๆเดี๋ยวนี้นะเขาจะทํายังไงโอเคไม่เป็นไรเขาจะรับได้ไม่รับได้จิตใจเราไม่เป็นลาวเราไม่หวั่นไหวคือเราเป็นคนเราพูดในสินในธรรมพูดอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วจิตมันไม่รับแล้วมันตัดทิ้งตัดทิ้งนะเนี่ยเขาถึงบอกว่าดิฉันถึงบอกว่าเออ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางมันจะใช่ไหมน้อปล่อยวางตรงนี้เพราะว่าจิตใจเนี่ยการปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางโอ้โหดิฉันทํางานมาใช่ไหมสมัยก่อนที่ไม่ปฏิบัติปล่อยวางทําแทบตายจะให้ปล่อยวางได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยไม่ปล่อยวางยังไงเนี่ยดูสิเนี่ยเจ้าของร้านเดสปาเสริมสวยสองร้านเนี่ยแต่งตัวให้ใครจะเข้าร้านเนี่ย <laughs> ใช่ไหมมันปล่อยวา ง, งเขาไม่ได้บังคับนะเนี่ย มันมันเป็นของมันเองจิตใจมันเป็นของมันเองคือปล่อยวางนี่นะในความที่จิตเราเป็นเนี่ยปล่อยวางจะรับได้คือว่ามันรับได้อ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้อย่างเงี้ยนอนที่ไหนก็นอนได้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายเมื่อก่อนโอ้โหร้านอาหารอร่อยที่ไหนไหนต้องไปจะเอาให้ได้ อย่างเงี้ยไปอยู่กับใครก็ได้คนยาบคนอี่แล้วก็ทนได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคนพูดมากเราได้ฝึกจิตเราด้วยอย่างดิฉันมานี่นะดิฉันได้ฝึกของดิฉันด้วยได้ฝึก ความพัฒนาในด้านจิตใจห้องดิชั้นด้วยว่าเออคนนี้นะเขานิสัยเป็นอย่างงี้นะจิตใจเขาเป็นอย่างนี้พอเราดนกระทบเป็นไงเขาพูดอะไรให้เราไปใจเราเป็นไงรีบดูใจทันทีเลยอะไรอะไรที่เข้ามาในใจนะสติสัมพญาที่เราฝึกมาดีดีแล้วมันจะตัดตัดตัดตัดไปเลยนั่นน่ะมันไม่หวั่นไหวกับอารมณ์พวกนี้แล้วแล้วเฉยมันเฉยมันว่างในใจคือมันไม่มีอารมณ์ที่จะมาปรุงแต่ง เฉียบไล้เฉียบทาให้เราได้ทุกข์อีกมากเหมือนเมื่อก่อนเราไม่รู้จักแก้ไม่รู้จักไขแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นแหละนอนคิดทางคิดสวัน7วันใช่ไหมบางทีคิดไม่ออกเรื่องเดียวอะนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นแหละโอ้ยมันทําไมว่ากูอย่างงี้้าโอ้ยทําไมนะใช่ไหมทั้งคืนทั้งวันมันทุกข์นะเนี่ยขนาดเรื่องนี้ติดเดียวแค่นั้นนะแล้วเราอยู่ในโลกอะเรื่องมันมากกว่านี้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะทำน้องๆทำนะอ่า ป้าแม่ก็ไม่มีอะไรละน ะ, ะทุกท่านนะขออนุโมทนาหลวงพ่อให้โอกาสนี่อีกสองนาทีตรงเวลาพอดีเลยเมื่อก่อนนี่นะโอ้โหไม่ยอมปล่อยไมเลยนะเวลาได้อารมณ์วิปัสสนูนี่โอโ้เหมือนของขึ้นนะนะพูดไม่ยอมหยุดแต่ทีนี้ไม่เป็นไรโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินน้องๆเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภยัยมีโอกาสก็ได้พบกันใหม่แล้วก็อย่าลืมนะ สติสัมปชัญญะแค่นั้นะที่จะช่วยพวกเราขอให้ทุกคนได้ประสบกับสิ่งที่เป็นเลิศในชีวิตได้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเ<า><า>ทินสาธุ <c oughs>